ร้ายแรงเท่ากับความเครื่องแค้นของใจคนดังไฟที่ลุกโชนแพกเผาสิ่งต่างๆฝังลึกในใจตกอยู่ในวังวนของเรื่องเกา่าติดเป็นเงาบ่อนทำลายจิตใจใจเราเอง หากว่าเธอและฉันไม่ยอมอ่อนเราเคยคิดยอมกันบ้างไหมสิ่งที่โกรธและแคนเครืองกันถ้ายังเอาอารมนั้นเป็นใหญ่อาจทำลาย t i m